ผลถูกได้เพราะใจเป็นกลางความสุขของคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นความสุขที่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือสิ่งอื่นภายนอกเป็นความสุขที่รออยู่ข้างหน้าซึ่งเราจะล่อให้วิ่งไล่ตามเหมือนเงาที่ไม่เคยจับได้จริงเมื่อได้มาแล้วก็อยากได้สิ่งอื่นต่อไปอีกแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อรู้ทุก์วงเล็บเปิดคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บปิดจะพบความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่น ใจก็จะเป็นกลางต่อความสุขหรือความทุกข์หมดความอยากที่จะหาความสุขหรืออารมณ์ที่เพลิดเพลินมาให้กายกับใจใจก็จะหยุดดิ้นรนจนสามารถดับตัณหาได้หรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าปกติเราจะเห็นสภาวะเป็นคู่เช่นสุขคู่กับทุกข์ดีคู่กับชั่วมีสติคู่กับหลงเป็นต้นเมื่อยังมีความรู้สึกที่เป็นคู่จิตก็จะไหลไปตามสภาวะที่เราต้องการต่อเมื่อปฏิบัติไปจนใจเป็นกลางเห็นว่าความสุข ขีดความทุกข์มีค่าเท่ากันจิตก็จะไม่ไหลสามารถปล่อยวางกายใจแล้วไม่หยิบฉวยขันขึ้นมาอีกก็จะพ้นทุกข์ได้